วันนี้มีใครอยากจะรู้อะไรหรือเปล่าอยากจะถามอะไรหรือเปล่าเราก็พูดคนเดียวมาตลอดพูดไปแล้วไม่รู้คนเขาชอบฟังหรือเปล่าพูดแล้วเกิดความเข้าใจเกิดประโยชน์หรือเปล่าก็เม่รู้ก็แต่แต่พูดไปเรื่อยๆก็หวังว่าคงจะ ได้รับประโยชน์บ้างเพราะเรื่องธรรมะนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันตามปกติในชีวิตประจําวันของเราเราจะได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่ก็เรื่องของทางโลกเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความสุข จากสิ่งต่างๆเรื่องของธรรมะนี่เราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันถ้าไม่ได้มามาวัดการฟังธรรมะก็อาจจะฟังแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไม่เป็นไร การฟังธรรมะี้ไม่ต้องจดจาการฟังธรรมะนี้ฟังให้เกิดความเข้าใจถ้าเราเข้าใจอะไรแล้วเราก็จะจำได้ไปจนวันตายจะไม่มีวันหลงไม่มีวันลืมถ้าเราไม่เข้าใจถึงแม้นาจะจดจำมาไว้ไม่นานเราก็จะลืมได้ การฟังธรรมจึงไม่จําเป็นจะต้องมีกระดาษดินสอมานั่งคอยเขียนบันทึกเอาไว้สมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมก็ไม่มีใครมีกระดาษดินสอมานั่งฟังเพื่อจดจำํำนอกจากผู้ที่ไม่สามารถที่จะปฏิบัติ าหรือไม่สามารถเข้าใจคำสอนได้ก็เลยฟังเพื่อการจดจำเพื่อจะได้อนุรักษ์คำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในสมัยพุทธกาลไม่มีการเขียนไม่มีการอ่านหนังสือคำสอนของพระพุทธเจ้าจึง มีการรักษาไว้ด้วยการท่องจำกันเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็จะมีพระที่มีความจำดีท่านก็จะจำคำสอนไว้ทั้งหมดแล้วท่านก็จะเอามาท่องอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืม แล้วก็ให้ท่องให้พระรูปอื่นฟังกันพระรูปอื่นก็นำเอาไปท่องกันต่อแล้วก็สืบทอดกันการสืบทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่สองลักษณะด้วยกันสืบทอดด้วยความจำและสืบทอดด้วยการปฏิบัติ การสืบทาพด้วยความจำนี้จะไม่เกิดประโยชน์แก่จิตใจคือจะไม่ได้ทำให้จิตใจได้บรรลุมากผลนิพพานถึงแม้จะท่องได้ทั้งพระไตรปิฎกจำได้หมดว่าพระไตรปิฎกมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างแต่ถ้าไม่เข้าใจ คำสอนที่ท่องเอาไว้ก็จะไม่สามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจได้ไม่สามารถทำให้บรรลุมรรคผลในผ่านได้การจะบรรลุมรรคผลในผ่านได้ต้องเข้าใจคำสอนที่สอนให้ปฏิบัติเข้าใจว่าทำไม ถึงจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ทำไมถึงจะต้องทําอย่างนี้เพราะเวลาทําอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราก็คือเวลาใจเราทุกข์แล้วเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ใจของเราก็จะหายทุกข์เช่นเราทุกข์กับความเก็บไข้ได้ป่วย รักษาอย่างไรก็รักษาไม่หายใจของเราก็ปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาถ้าเราได้ศึกษาก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งหรือ ห้ามันไม่ให้เกิดได้คือเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารักษาไม่ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้แต่เราจะทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจนี่เราทำได้ที่เราทุกข์ใจก็เพราะว่าเราอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปแต่ถ้าเราพิจารณาตาม คำสอนที่ทงสอนว่ า, าความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นอนัตตาเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้ไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศ เราก็จะหยุดอยากที่จะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปพอเราหยุดความอยากได้ความไม่สบายใจก็จะหายไปความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายไปแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจิบจ้อย แต่ความไม่สบายใจนี้เป็นเรื่องใหญ่เราหับเราดับความไม่สบายใจได้เราดับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ได้ส่วนความทุกข์เล็กๆน้อยๆเหมือนกับคันตรงนั้นคันตรงนี้ไม่เป็นตัญหาเลยเหมือนจะคันก็ปล่อยมันคันไปความเจ็บทางร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับอาการคันของร่างกายนี้เอง แต่ความเจ็บของใจนี้เป็นเหมือนไฟไหม้เป็นเหมือนมีดของแหลมของคมเที่มแทงหัวใจของเราสิ่งที่มาที่มแทงหัวใจของเราก็ไม่ใช่อะไรก็คือตัณหาความอยากนี่เองในกรณีนี้ก็เรียกวิวภวะตัณหาอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปพอไม่หายก็เครียด ก็ทุกแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาที่ส่งสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีอาการเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลามีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตาย ก็จะไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงมันได้ถ้าอยากจะเปลี่ยนมันก็จะไม่สบายใจจะทุกข์ทรมานใจถ้ายอมรับความจริงนิ่งเฉยไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะสงบ เย็นสบายทำกลางความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายนั้นแหะอันนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติการท่องจํานี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้เช่นเราท่องว่าทุกเกิดจากตั้หาความอยากเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรา ท่องไปจนวันตายมันก็ไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ได้เราจะดับมันได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นความอยากที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจที่กำลังสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราแล้วก็เห็นว่าเกิดจากความหลงที่ไม่เห็นความจริงว่าทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไป ยับยังความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกําจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้แล้วก็ถ้าอยากจะให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้หายไปหมดไปใจก็จะยิ่งมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานใจเพิ่มขึ้นไปตามกําลังของความอยาก อันนี้เป็นการปฏิบัติ น, นการเสดบทอดพระพุทธศาสนาจึงมีสองสายสายปริยัติกับสายปฏิบัติสายปริยั ต, ยย ต, ยยยตยิเขาก็ท่องกันไปแล้วต่อมาก็มีการจารึกลงเป็นตัวอักษรก็ปรากฏเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมา ผู้ที่ท่องพระไตรปิฎกนี้ก็ไม่ปรากฏว่าจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้จากการท่องเพียงอย่างเดียวผู้ที่ไม่ได้ท่องแต่เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรดับลงไปได้อย่างไรผู้นั้น ก็เป็นผู้ที่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้การศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็ให้เข้าใจหลักของอริยาาสัจสี่นี้ก็พอถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจว่าเกิดจากตัณหา คือกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาและเห็นการดับความทุกข์นี้เกิดขึ้นจากการเห็นความจริงว่ า, าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ไม่เทียงแท้แน่นอนมีเจริญย่อมมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นร่างกายมีเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไป มีการแก่มีการเจ็บมีการตายไปเป็นอนัตตาก็คือไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ไม่มีใครไปจัดการไปลบล้างความจริงอันนี้ได้ผู้ที่พยายามที่จะลบล้างก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่อยากจะให้ไม่แก่ไม่ให้มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตาย ก็จะเป็นผู้ที่จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาก็รู้เข้าแท้เท่านี้เองนี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาผู้ใดเข้าถึงเข้าใจถึงหลักอริยสัจสีแล้วก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ทุกรูปแบบ ท, ที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ เช่นเวลาเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วเราอยู่ไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุขถ้าเราเข้าใจหลักของอริยาาสัจสี่เราก็เข้าไปแก้แก้ตรงที่ความอยู่ไม่เป็นสุขนี้การอยู่ไม่เป็นสุขก็แสดงว่าเป็นทุกข์แล้วนั่นเองอยู่เฉยๆแล้วไม่มีความสุข ก็แสดงว่าใจมีความอยากใจต้องอยากหรือไม่อยากอย่างใดอย่างหนึง่งถ้าไม่อยากก็คือไม่อยากจะนั่งอยู่เฉยๆอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทานอยากจะไปตามสถานที่ต่างๆ ไปพบปะกับคนนั้นคนนี้อันนี้ก็รู้แต่เป็นความอยากเท่านั้นเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็คือการมติหาหรืออยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากจะเป็นนายกหรืออยากจะ ขับได้นายกเนี่ยก็จะ อ, อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ก็ต้องออกจากบ้านไปขับไล่นายกกันถ้าอยู่เฉยๆมันก็ปวดเกรดลำคาญใจไม่สบายใจคนที่เป็นนายกก็อยากจะเป็นนายกก็ไม่สบายใจเวลาที่มีคนมาขับไล่จะไม่ให้เป็นนายกาะยังอยากจะเป็นนายกอยู่ เนี่ยเรื่องปัญหาต่างๆที่วุ่นวายกันทั่วโลกนี้ก็เกิดจากความไม่สบายใจการที่อยู่เฉยๆอยู่ไม่เป็นสุขนี้เองถ้ามนุษย์เรานี้อยู่เป็นสุขแล้วไม่จะไม่มีปัญหากันปัญหาก็เพีงแต่เรื่องของปากทองที่พวกเราก็สามารถแก้กันได้นนกันทุกคนพวกเราทุกคนนี้เรื่องปากท้องนี่เรา แก้ได้ถึงเวลาหิวก็มีข้าวกินถึงเวลาอยากจะหลับนอนก็มีที่หลับที่นอนปัญหาพื้นฐานของชีวิตนี่มันพวกเราแก้กันได้หมดไม่มีปัญหาอะไรน่าจะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วเพราะไม่มีอะไรจะต้องทำอีกแล้วเพียงแต่รักษาดูแลชีวิตนี้ให้มันอยู่ไปตามวาระของมันเท่าน้ แต่มันกินแล้วนอนแล้วมันไม่พอมันให้อยู่บ้านเฉยๆอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปหาอะไรมาดูหาอะไรมาฟังหาอะไรมากินเพิ่มขึ้นอีกหาอะไรมาเดิมเดิมเพิ่มขึ้นอีกพอหามาแล้วก็เบื่อก็ต้องหาอย่างใหม่อยู่ตรงไปออกไปนอกบ้านไปหาสิ่งอื่นๆ พอไปที่นั่นแล้วก็เบื่ อ, อ ก, ก็ต้องย้ายที่ไปอีกที่หนึ่งเที่ยวในเมืองไทยเบือ่อก็ต้องไปเที่ยวในเมืองนอกต่อถ้ามีกำลังก็ไปถ้าไม่มีกาลังก็หาที่ในประเทศเที่ยวเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ เ, เปลี่ยนแล้วก็กลับมาที่เก่าที่เคยเบื่อก็กลับมาเที่ยวใหม่อย่างน้อยมันดีกว่าอยู่เฉยๆ อันนี้เป็นอำนาจของความอยากทั้งนั้นถ้าไม่มีความอยากแล้วจะไม่อยากจะไปไหนกินแล้วก็นอนสบายจะตายไปนอนเสร็จแล้วก็ตื่นมากินใหม่ก็มีเท่านี้ชีวิตของคนเรามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันพวกที่กินแล้วนอนแล้วต้องไปเที่ยวต้องไปทํำนู่นทนํานี่ต้องไปเป็นนู่นเป็นนี่ ถึงเวลาก็แก่เจ็บตายเหมือนกันใครจะเหนื่อยกว่ากันใครจะสบายกว่ากันคนที่อยู่เฉยๆกินแล้วนอนกับคนที่จะต้องไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่จะต้องไปเป็นนั่นจะต้องไปเป็นนี่จะต้องไปทํางานทำมาหากินเพื่อจะได้เอาเงินไปเที่ยวเพื่อจะได้ไปเป็นคนเป็น ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งนี้มันก็วูบกันไปตลอดชีวิตแล้วก็ตายเหมือนกันหมดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดหามาถ้าเป็นท้าวตายมีหมื่นล้านแสนล้านเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีมันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันเหนื่อยไปเปล่าๆไม่ไม่มีความสุข ถ้าอยู่ไม่เป็นสุขแล้วแสดงว่าไม่มีความสุขคนที่มีความสุขต้องอยู่เป็นสุขต้องอยู่เฉยๆได้ต้องไม่มีอะไรแม้แต่ไม่มีร่างกายก็เป็นสุขอันนี้ยิงย่งยิงย่งยิ่งยิ่งยิ่งประหลาดขึ้นเพราะคนเราต้องคิดว่าต้องมีร่างกายกัน คนเรานี่กลัวตายกันกลัวว่าเวลาไม่มีร่างกายแล้วจะสูญหายไปแต่ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้สูญหายไปกับร่างกายเราเป็นดวงจิตดวงวิญญาณหรือถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านก็เป็นผีเวลาร่างกายไม่มีแล้วก็กลายเป็นผีไป เป็นร่างที่เป็นกายทิพย์แล้วก็มาหลอกคนที่มีชีวิตอยู่เราอยากจะเราเคยคิดอยากจะมาหลอกคนไหมเวลาเราตายไปแล้วไม่มีใครคิดอยากจะมาหลอกใครหรอกแล้วมันจะมีผีที่ไหนมาหลอกเรา ก, ก็นอกจากเราหลอกตัวเราเองเวลาเราไปอยู่คนเดียวในที่เงียบ พอได้ยินเสียงหน่อยก็คิดว่าผีมาหลอกนะบางทีเป็นจิ้งจกบ้างเป็นตุ๊กแกบ้างเป็นหนูบ้างเป็นลมพัดใบไม้กิ่งไม้กิ่งไม้หล่นลงมาก็กไปคิดว่าผีมาแล้วตาจริงผีเขาไม่มีเวลาที่จะมาหลอกเราหรอกผีเขาก็เหมือนพวกเราเนี่ยก็หาความสุขต่อไปขณะเป็นผีก็หาความสุขต่อไป ก็ยังอยากจะไปนู่นมานี่อยู่แต่ก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปพาไปเวลาตายไปแล้วถ้าบาปพาไปบาปก็พาให้ไปไปหาร่างกายของเดรตาชานไปหาไปอยู่กับคิวคามหิวโหวยดวงจิตดวงใจที่ทำบาปด้วยความโลภทำโลภ ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะหิวจะโหยจะกระหายเวลาที่เราตายไปนี้ใจของเราก็เหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับฝันไปเวลาเรานอนหลับนี่ร่างกายไม่ได้ไปไหนใช่ไหมร่างกายก็นอนอยู่บนเตียงแต่ใจมันฝันไปถึงไหนก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็ได้ไป ตกนรกก็ได้ฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันว่าโอได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปเที่ยวที่นี่ได้กินได้ดูได้ฟังได้เจอคนนั่นคนนี้รูปร่างหน้าตาสวยงามมีความสุขกับสิ่งต่างๆรอบตัวอันนี้เรียกว่าฝันดีเป็นสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็คือไปเจอแต่มารเจอแต่ ไม่แต่คนเกียดคนชังคนจะตามคอยฆ่าคนคอยด่าคอยกันแก้งคอยดูถูกเหยียดหยามคอยสร้างปัญหาสร้างเรื่องตามข้าวเราอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ากำลังไปนรกตกนรกพอตื่นขึ้นมาก็กลับเข้ามาสู่ในร่าง อันนี้แนะ่ะแต่ถ้าไม่มีร่างกายจะกลับมามันก็มันก็ไปต่อไปจนกว่ามันหมดแรงหมดแรงของบุญหรือหมดแรงของบาปแล้วมันก็จะกลับมาหาร่างก็ไปหาเข้าไปร่างกายที่กำลังตั้งท้องอยู่ในตั้งท้องอยู่ในคันนะตั้งตัวอยู่ในท้องแล้วก็รอเก้าเดือนก็คลอดออกมาหม พอเข้าเ่ามาก็ตื่นแต่ตื่นตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอวุลาตอนนั้นเป็นเด็กทารกรู้แต่หิวอย่างเดียวอยากจะกินนมกินน้ำอยากจะปัสสาวะอยากจะขับถ่ายก็จะรู้อยู่ตายอย่างนั้นไปก่อนแล้วพอร่างกายจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นก็สามารถที่จะรับรู้ได้มากขึ้น พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สามารถเอาร่างกายนี้มาใช้เป็นเครื่องมือตอบสนองความอยากต่อไปอย่างแรกอยากจะได้ก็คืออยากได้แฟนกันของพวกนี้ไม่ต้องสอนกันไมต่ต้องคอยห้ามกันว่ามันจะชิงชิงสุกก่อนห้ามกันเลย ยังไม่ถึงเวลามีแฟนก็แอบไปมีแฟนก่อนแล้วบางทีก็แอบไปมีลูกล้วก่อนอันนี้ก็คือความอยากเนี่ยการมาตัญหาที่มันไม่ได้ตายไปจากชาติก่อนมันติดมากับดวงวิญญาณติดมากับใจอยู่ความโลภความโกรธความหลงนี่ไม่ต้องมีใครสอนนั้นโลภเป็นด้วยกันทุกคนโกรธด้วยเป็นด้วยกันทุกคน ออย่างอื่นนี้ต้องสอนภาษานี้ต้องสอนจะให้พูดจะเดินจะยืนจะนั่งนี้ต้องสอนความรู้ต่างๆนี้ต้องสอนใหม่นอกจากความรู้ที่ไม่ดื่มไปความรู้ที่ติดอยู่กับใจก็คือความรู้ไปในทางบุญหรือไปในทางบาป อันนี้ไม่ต้องสอนเช่นถึงเวลาอยากจะกินเหล้านี่ไม่ต้องมีใครสอนหาเหล้ากินเองได้อยากจะเที่ยวไม่ต้องมีคนพาเที่ยวไปเที่ยวเองได้หรือคนที่มีความรู้ทางบุญก็จะรู้จากวิธีหาเงินไม่ต้องมีใครสอนพอมีโอกาสทำงานได้ก็จะทำงานมีที่ไหน ทำแล้วได้เงินก็จะไปทำทันทีอันนี้มันเป็นนิสัยที่ติดมากับดวงจิตดวงใจตอนที่หาเงินไม่เป็นก็จะไม่รู้จักหาบางทีต้องถูกพ่อแม่สั่งต้องสอนต้องบอกให้ไปสมัครงานสิจะได้มีงานทำจะได้มีเงินใช้ถ้านี่พ่อแม่ยังให้เงินอยู่มันก็ยังจะไม่ไปหา พวกนี้เป็นพวกที่หาเงินไม่เป็นใครกินใครกินแต่ของคนอื่นใครกินแต่ของพ่อของแม่มาอยู่เรื่อยๆยายหากินเองไม่เป็นอันนี้ก็คือเรื่องของใจที่มันย้ายไปจากร่างกายอันหนึ่งไปสู่อีกร่างกายอันหนึ่งในช่วงระหว่างก่อนที่จะได้ร่างกายใหม่มันก็ไปมันก็ไปนรกไปสวรรค์ก่อน การไปนรกไปสวรรค์ก็เหมือนกับนอนหลับเล่าฝันไปนี่เวลาตายนี่ก็เหมือนนอนหลับแล้วจะเวลาเกิดก็เหมือนตื่นขึ้นมาเองแต่ว่าเวลาตื่นมันไม่ได้กลับมาได้ร่างร่างกายอันเก่ามันได้ร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเข้าร่างกายใหม่ถ้ายังมีบาปหลงเหลืออยู่ก็ ไปได้ร่างกายของหมามังของแมวมังของนกบ้างถ้าบาปหมดกำลังแล้วก็ไปได้ร่างกายของมนุษย์แล้วก็กลับมาอยากใหมอ่อยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มใหม่อยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้ ก็ดินร่อนสู้กับความทำไปกับตามความอยากไปจนถึงเวลาร่างกายตายไปก็วนกันไปอย่างนี้นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตแต่ละดวงถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้จักวิธีพัฒนาจิตใจ ให้นอนหลับฝันดีให้ทําแต่ความดีแล้วเวลานอนหลับก็จะฝันดีเวลาตายไปก็จะฝันดีไปจนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะไปอยู่สวรรค์พอลงจากสวรรค์ลงมาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําความดีใหม่ทําความดีเพิ่มขึ้นไปตามลําดับจนไปถึงพระนิพพาน มันไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่การจะทำความดีให้ไปถึงพระนิพพานก็ต้องเริ่มต้นในการทำบุญทำทานทำไปให้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ให้ด่างพร้อยเริ่มต้นที่ศีลห้าแล้วก็เพิ่มไปที่ศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้ก็จะ นั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้เจริญสติได้ทำใจให้สงบได้พอใจสงบก็จะได้ไปเกิดเป็นพรหมแล้วถ้าจเจริญปัญญาได้เห็นความจริงเห็นอริยาาสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากได้ก็จะได้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอน า, าคามีพระอารหันต์ไปถึงพระนิพพานได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเวลาที่ได้มาเกิดมาเจอพระพุทธศาสนามนได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทําบุญให้ทานให้รักษาศีล ให้ภาวนาให้เจริญสติให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาให้เห็นให้เห็นธรรมะคืออริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมากว่าอยู่ในใจเวลาไม่สบายใจไม่ต้องไปแก้อะไรทางนั้นไม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนนามสกุลไม่ต้องไป ทำสตอะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆหยุดความอยากที่อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเองเช่นเราตกงานก็ไม่ต้องไปสมบูรณ์สตอกเคราะห์มันตกงานก็ยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีงานได้ก็ตกงานได้เป็นอนิจจังห้ามมันไม่ได้มันตกก็ตกไป กก็หางานใหม่หาไม่หาไม่ได้ก็หางานทำเองก็ได้เก็บขยะขายก็ได้ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อดตายก็ได้อใจไม่ทุกข์แต่อย่างใจไม่ทุกข์กับสถานภาพของตนเองใจยอมรับกับสถานภาพของชีวิตว่ามันมีขึ้นมีลง มีมามีไปมีได้มีเสียมีเจริญมีเสื่อมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาแึ่คิดอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรให้วุ่นวายใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปไม่มีข้าวกินก็หาข้าวกินกันมันไม่อดตายง่ายๆหรอกยิ่งอยู่ในเมืองไทยอาหารการกินเยอะแยะไปหมด หมาข้างถนนมันยังอยู่ได้เลยแล้วเรามันวิเศษกว่าหมาเราจะไปอดตายได้ยังไงไปทํางานอะไรสักหน่อยเขาก็เลี้ยงเราแล้วไม่รู้จะไปไหนก็ไปทํางานที่วัดก็ได้ไปล้างส้วมที่วดัดไปกวาดถูศาลาเดี๋ยวพระเขาเห็นเขาก็เอ า, อเอาเข้าวมาให้กินเองแหละที่วัดก็มีผู้หญิงอยู่คนหนึง่งมาทุกวันที่ศาลามากวาดมา ทำอะไรรอบๆศาลาก็มีกับข้าวกับข้าวที่เหลือกินกันไปถ้าหาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่าถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วไม่ว่าจะเป็นหมาเศรษฐีหรือเป็นยาจกถึงเวลามันก็ต้องตายเหมือนกันนี่คือคนที่มีเห็นธรรมเห็นอย่างนี้เห็นว่าเป็น เรื่องที่เราไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับมันร่างกายนี้ดูแล ร, รักษามันได้ก็ดูแลมันไปดูแล ร, รักษามันไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเพราะว่าจะดูแลอย่างไรดีขนาดไหนถึงเวลามันก็ไปอยู่ดีถึงเวลามันก็ไม่ยอมอยู่กับเราอยู่ดีนี่เราไปยุ่งกับมันทำไมถ้ามันอยากจะไปก็ปล่อยมันไป ถ้าเรามันปล่อยถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามเราก็จะไม่สามารถเดี่ยวรั้งมันไว้ได้มหาเศรษฐีถึงเวลาก็ตายต่อให้จ้างหมอมาทั้งโรงพยาบาลซื้อยามาทั้งโรงพยาบาลมันก็ เดี๋ยวลังชีวิตนี้ไว้ไม่ได้ถึงเวลามันต้องไปด้วยกันทุกคนถ้าใจเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากการพยายามที่จะดึงมันไว้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ปล่อยมันไปปล่อยแล้วมันก็ไม่ทุกข์เวลาตายนี่ขอทานตายอย่างสบายกว่าเศษฐีตายพราะขอทานรวมไม่มีอะไรจะเดี๋มันไว้มันก็ปล่อย แต่เศรษฐีนี่มันคิดว่ามันมีเงินมีทองมีอะไรคอยดึงเหมือนไว้คอยห้ามเหมือนไว้ก็จะพยายามทุ่มเทสุดๆเพื่อที่จะไม่ให้มันตายก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่เนียพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอยู่แบบขอทานอย่างพระพุทธเจ้านี่ทําเป็นตัวอย่างอยู่แบบขอทานคอยเป็นราชโอรสคอยเป็นกษัตริย์ก็สละราชสมบัติ แล้วก็ไปอยู่แบบขอทานหาเช้ากินค่ำไม่ใช่หาเช้ากินค่ำหาเช้ากินมื้อเดียวบินระบาดบินระบาตได้มาเท่าไหร่กินเสร็จแล้วก็จบวันนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องกินอีกต่อไปไม่สบายก็กินสมุนไพรไปมียาสมุนไพรก็กินไม่มีก็ใช้น้าปัสสาวะน้าปัสสาวะก็รักษาโรคได้ แต่จะรักษาได้กี่โลกก็ไม่รู้อ่ะบางทีดื่มแล้วก็หายบางทีดื่มก็ไม่หายไม่หายก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายเองอ่ะพอร่างกายนี้หายทุกอย่างมันก็หายไปหมดเนี่ยอยู่แบบนี้แล้วจะไม่ทุกข์ใจอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่กับความจริงอย่าไปอยู่กับความอยากความทุกนี้เกิดจาก อยู่กับการอยู่กับความอยากเป็นมาเสรษฐีก็ยังทุกข์อยู่เพราะยังอยากถ้าไม่อยากได้มากก็อยากไม่ให้มันน้อยลงไปอยากจะรักษามันไว้ไม่ให้มันน้อยลงไปอยากจะให้มันอยู่ไปนานๆอยู่ไปกับลูกกับหลานกับเลนต่อไปพอเกิดความอยากก็วุ่นวายจะต้องหาวิธีทำงานให้มันอยู่ไปนานๆ ลืมคิดแต่ว่าเวลาตัวเองมาก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเวลาไปก็ไม่ได้ อ, อะไรติดตัวไปก็เลยมาสร้างความทุกข์ใจแก่แก่ตนเองตลอดเวลาเพราะความอยากต่างๆเพราะมองไม่เห็นความจริงว่าในที่สุดก็ไม่ได้เอาอะไรไปเวลามาก็ไม่ได้เอาอะไรมา ถ้าอยากจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยากจะไปอย่างสุขอย่างสบายก็ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษเอาเท่าที่จำเป็นเอาน้อยๆพออยู่ได้ถ้าไม่ได้เท่าที่จำเป็นก็เอาเท่าเอาเท่าที่ได้เอาตามมีตามเกิดถ้าได้ไม่ได้ข้าวหนึ่งจานได้ข้าวครึ่งจานก็ยังดีกว่าไม่ได้ก็กินมันไปผอมลงไปหน่อย กินหนึ่งจานและกินหนึ่งจานเดี๋ยวถึงเวลาก็ตายเหมือนกันให้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับชีวิตแต่วันนี้เราทุกข์กับชีวิตเพราะเราพยายามต่อสู้พยายามที่จะรักษาชีวิตนี้ให้อยู่ไปนานๆให้มีแต่ความสุขแต่ไม่รู้หรอว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การรักษาชีวิตความสุขมันอยู่ที่การดับความอยาก อันนี้แหละเรามองกลับตาลปัดไปมองผิดที่ไปมองที่ร่างกายแทนที่ไปมองที่ใจถ้ามองที่ร่างกายแล้วก็จะต้องสร้างความทุกข์เพราะจะอยากให้ร่างกายนี้มันดีไปเรื่อยๆอยากจะให้มันสวยไปเรื่อยๆอยากจะให้มันหล่อไปเรื่อยๆอยากจะให้มันแข็งแรงอยากจะให้มันมีสุขภาพดีไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย พอเกิดความอยากเหล่านี้มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุขต้องวุ่นวายกับการดูแลรักษาร่ า, างกายพอรักษาร่ า, างกายได้ในระดับหนึ่งก็ไปวุ่นวายกับการหาความสุขจากสิ่งต่างๆอีกแล้วพอได้กินได้นอนร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะไปเที่ย ว, วอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ อยากจะเป็นกำ น, นันอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยากจะเป็นสอสอสอทอเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นแล้วก็อยากจะเป็นบรรณาธิกาแล้วก็อยากจะส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปมันก็จะเครียดกับการที่จะต้องทำตามความอยากต่างๆไปเรื่อยๆทุกไปกับมันเรื่อยๆ วเวลาตายไปก็ไม่ได้อะไรไปเวลาอยู่ก็อยู่กับความทุกข์เวลาตายไปก็ตายแบบขอทานไปแบบตายเป็นไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเพราะไม่เคยทําบุญพวกที่จะคิดจะแสวงหาประโยชน์ใจตัวนี่จะไม่ชอบทําบุญจะไม่คิดถึงการทําบุญจะไม่กลัวการทําบาปทําอะไรก็ได้ขอให้ได้ดังใจ พวกนี้ก็ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายพวกที่เชื่อบุญเชื่อบาปกลัวบาปเชื่อบุญเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะพยายามตัดความอยากอยู่แบบมากน้อยสันโดษพออยู่แบบมากน้อยสันโดษก็จะมีเงินทองเหลือใช้เหลือกินก็สามารถเอาไปทาบุญแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรม พอไม่ได้มีความอยากมากมายกายกองถ้าปฏิบัติธรรมสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีความอยากน้อยลงไปเรื่อยๆจนไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเลยความอยากนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้คนไปทำบาปกันถ้าความอยากน้อยลืมก็จะโอกาสที่จะทำบาปก็น้อยลงไปเรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากเลยก็ไม่มี ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำบาปเลยเราความอยากน้อยลงไปมากเท่าไหร่ความสุขใจก็มีเพิ่มมากขึ้นไปทั้งนั้นเพราะความทุกข์ใจน้อยลงไปนั่นเองความสุขใจก็เกิดจากการดับของความทุกข์ใจนี่เน้นเราไม่ต้องไปหาความสุขจากอะไรขอให้เราดับความทุกข์ใจให้ได้ดับความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากของเราให้ได้ทั้นั้น ก็พอพอไม่มีความอยากแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมีความสุขตลอดเวลาอยู่ก็เป็นสุขฟังเสียงนกเสียงกาก็มีความสุขเห็นต้นไม้ใบหญ้าก็มีความสุขดังนั้นพวกเราต้องพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ รู้ความจริงว่าความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันเราต้องรู้ว่าความสุขความทุกข์ของเราอยู่ที่ความอยากหรือไม่อยากนี่เองไม่ได้อยู่ที่การมีมากมีน้อยอยู่ที่การไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกัน อย่าไปกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายมันไม่เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาก็คือความอยากคือการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปุัมภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอย่างนั้นไม่มีอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ อยากไปอยากอยากแล้วไม่สบายใจอย่างตอนนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อยากจะให้มันสงบก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าไม่มีความอยากปล่อยมันมันจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะความสบายความไม่สบายใจก็จะไม่มีความไม่สบายใจก็หายไปแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบอยากจะให้ทุกคนกลับบ้านเข้าบ้าน ไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแทนที่จะมาทะเลาะกัน mm. เราอยากแล้วทำให้มันเป็นไปได้ตามความอยากหรือเปล่าเ mm. พร อ, อยากว่าพวกนี้กลับบ้านกันหมดไหนหรือเปล่า mm. อยากไปยังไง mm. เขาก็ยังออกมาอยู่ตามภาษาของเขาเ mm. พราะเขาก็มีความอยากของเขา mm. เขาอยากจะมาไลา่พวกนี้ไป mm. พวกนั้นก็ไม่อยากไป มันก็เลยต้องไล่อยู่อย่างนั้นไล่ไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไปอยู่นั่นถ้าไล่แล้วไปมันก็จบนี่ไล่แล้วไม่ไปจะทําไงก็เลยเครียดกันทุกกันไม่สบายใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งพวกที่ออกมาไล่ทั้งพวกที่ถูกขับไล่มันก็เลยไม่สบายใจกันไปหมดพวกที่ไม่ได้ออกมาไล่แต่เดือดร้อนกนังวลอยากจะให้เขาหยุดกันก็วุ่นวายไป ก, ก็วุ่นวายกันไปแต่และ ต่ระแบกกันมันก็เป็นความอยากทั้งนั้นแต่พวกที่ไม่มีความอยากก็สบายมันอยากจะไล่ก็ปล่อยมันไล่ไปมันอยากจะอยู่ก็ไปมันอยู่ไปเราไม่สนใจเรามีหน้าที่พุโทโธพุโทโธของเราแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปหยุดความอยากของเราไปพอเราไม่มีความอยากแล้วเราก็สบาย เราอยากจะได้อะไรอ ย, อยากจะได้ความไม่สบายหรืออยากจะได้ความสบายใจเราอยากจะได้ความสบายใจก็ต้องพุทโธพุทโธไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราวุ่นวายใจวุ่นวายใจแล้วมันทำให้เรื่องราวต่างๆมันสงบไปหรือเปล่ามันก็ไม่สงบอยู่ดีเรื่องราวต่างๆเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องราวของเขาเหมือนพายุฝนเนี่ย เวลามีพายุมาเราจะไปวุ่นวายให้เาให้ให้พายุฝนมันหยุดนี่มันจะหยุดให้เราหรือเปล่ามันก็ไม่หยุดอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยพอกำลังมันหมดแล้วเดี๋ยวมันก็หยุดเองพวกที่ออกไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็กลับบ้านกันเองในบ้านเมืองจะอยู่แบบไหนก็เป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตา อาวุธจ้าก็บอกเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอ น, นิจจังก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เร็วลงก็มีแต่อนัตตาก็คือไปห้ามเหมือนไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ให้เราจำสามคำนี้ไว้อันนี้จังทุกขงังอนันตตางแล้วเราก็จะได้ถอยเราจะได้ปล่อยเพราะว่าทุกไปปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นก็ทุกลงก็ทุกใจของคนมันเป็นอย่างนี้มันไม่เคยพอใจขึ้นก็ขึ้นน้อยไปต้องให้มันขึ้นมากกว่านี้ถึงจะพอใจพอขึ้นถึงวันนี้พอมันจะลงก็ไม่พอใจอีกแล้ว มาทูกกับของที่มันขึ้นขึ้นลงลงเกิดเกิดดับดับและเวลาไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปแม้แต่ชิ้นเดียวไปทุกข์กับมันทำไมปล่อยมันดีกว่าสัพเพ昙ามนต์ตาให้ท่องขับเียไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะเจริญก็เจริญมันจะเสื่อมมันก็เสื่อม ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะไม่สบายใจก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเอาละคิดว่าวันนี้พอหอมปากหอมคอก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรติสักรางเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเป้เมวะสลิจตุสาเพปุเรินตุสังกาปาจันโทปนาหะโสยะถามาณิโชติ ระโสยทาสัพพิตโยวิวัชานตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตรายยสุขีทีคายุโกภวะอภิวัธนาสีลิธะนิจังวุฒาปจายโนจตารธมมมวทาติอายุวันโอสุขังภาลาง มีอะไรจะถามไหมมีอะไรจะต่อเติมไหมไม่ไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้พูดเสริมตรงไหนก็ถามมาได้วันไหนว่างๆไม่มีอะไรทําลองมาฝึกนั่งอยู่เฉยๆสักวันดูอยู่ให้เป็นศพดูสักวันัดฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ทําได้เองกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรหาเก้าอี้ตัว แล้วก็นั่งมันไปทั้งวันไม่ต้องลุกไม่ต้องไปทําอะไรถ้ามันอยากก็พยายามหยุดความอยากให้ได้ใช้พุโทโธพุทโธหยุดมันไปใช้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาหยุดมันไปพอความอยากให้ไปแล้วก็หยุดอยู่เฉยๆได้สบายเคยนั่งอยู่เฉยๆนั่งมนวันๆหนึ่งได้จั ก็พยายามทำไปให้มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราเผลอเมื่มอไหล่มันก็นั่งไม่ได้ถ้าเราไม่เผลอมันก็จะนั่งได้พอเราเริ่มคิดปมันไปนะมันอยากจะไปนู่นมานี่้ถ้าเราควบคุมความคิดได้มันก็จะไปไม่ได้พยายามให้มันอยู่กับพุโทโธไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปหางานให้มันทำหางานให้ใจทำให้มันคิดพุดโทโธพุโทโธไป พุโทโธคําเดียวเนี้ยได้ได้แล้วสบายเพราะมันง่ายที่สุดวิธีอื่นแก้มันก็ยังจะเป็นปัญหาตามมาได้ถ้าถ้าหาหนังสือมาอ่านเดี๋ยวอ่านจบแล้วมันก็เบื่อก็อยากจะหาเลื่อใหม่มาอ่านใหม่เนี่ยในในมันจะเบื่อก็ให้มันเบื่อกับพูดคําว่าพุโทโธคําเดียวอ่ให้มันสู้กับพุโทโธจนะทั่งมันไม่เบื่อพอไม่เบื่อแล้วทีนี้ก็จะใช้พุโทโธอยู่กับมันได้ทั้งวัน โทรบ้างก็ได้ดูลงหายใจบ้างก็ได้เอาของที่มีอยู่ในตัวเราอย่าไปเอาของข้างนอกมามามาเพื่งพาอาศัยเ อ, เอาของที่มีอยู่กับตัวเราเนี้ยพอตัวเราไปไหนมันจะได้ติดกับไปเราไปกับเราได้ถ้าเราอาศัยเทปอาศัยซีดีเดี๋ยวไปที่นูน่นที่นี่ก็ต้องเอามันไปด้วยเดี๋ยวเกิดมันเสียก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวเกิดทานหมดหรือไฟหมดก็ใช้ไม่ได้ แต่พุโทโธนี้มันไม่มีวันหมดลมหายใจไม่มีวันหมดนพอแค่สองตัวนี้เป็นที่พึ่งหรืถ้าเราจำบทสวมดมนต์ได้ถ้าเราเบื่อพุโทโธแล้วก็สวมดมนต์ไปบ้างก็ได้อย่างพระนี่ท่านต้องท่องปาติโม ก, มกนนหนาสิบสองรอยี่สิบเจ็ดข้คนไหนที่ท่องได้สองร้อยี่บเจ็ด้นี้ก็มีงานทำท่องไปแล้วอย่างน้อยสี่สิบนาทีห้าสิบนาที ท่องไปมันก็ทำให้อยู่เฉยๆได้ไม่อยากจะลุกไปไหนมาไหนได้มันมีงานทาเหมือนเวลาเรานั่งดูทีวีนี่ดูได้เป็นชั่วโมงไม่ต้องลุกไปไหนเพราะมันมีงานทํามันมีอะไรให้ดูให้คิดไปเรื่อยๆอย่างถ้าใจเรายังคิดอยู่ก็ให้มันคิดไปในทางที่ทำให้มันไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรก็้องคิดคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เมื่อคิดบทสวดมนต์ไปหรือดูลมหายใจไปท่านถ้ามันเหนื่อยมันมันไม่อยากจะท่องก็ดูลมหายใจบ้างก็ได้หายใจเข้าหายใจออกถ้ามันเบื่อลมหายใจก็ดูอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้เรามีลงละครลงใหญ่อยู่ที่ตัวเรานี่มีตัวแสดงทั้งสามสิบสองตัวมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก มีหัวใจมีตับมีปอดมีไตมีลำไส้ไส้น้อยไส้ใหญ่มีเยื่อในสมองศีสษะมีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเหลืงน้ำเลือดน้าเหงื่อน้ำมันก้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกอยากจะเที่ยวก็เที่ยวในกายนครอยากจะดูละครก็ดูร่างกายนี้แหละร่างกายนี้เป็นตัวละครดัก ละครทุกเรื่องต้องมีร่างกายนี้ทั้งนั้นเนถ้าไม่มีร่างกายนี้มันไม่มีละครเนะี่ยเพราะฉะนั้นอยากมันมกมนกก็เ้าห้า ปฏิบัติไปแล้วไม่อยากจะนอนกับแฟนก็ถือว่าเก้านะถ้าเคยอยากรวยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่อยากรวยก็เรียกว่าเกนะ้าหน้าถ้าอยากเที่ยวแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้ไม่อยากเที่ยวแล้วก็เกนะ้าหน้าถ้าอยากจะซื้อของคุ้มฟุ้ยซื้อเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ไม่อยากจะซื้อแล้วก็เรียกว่าเกนะ้าหน้าคือตัดความอยากในราบยุดสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรดผลถผาา้าให้ดูตรงนี้ ถ้าตัดได้ต่อไปก็นุ่งขาวอมขาวได้อยู่วัดได้เนี่ยพวกที่เขาบวชกันนี่เขาก็ตัดไปกันได้เยอะแล้วแต่ยังตัดเพียงแต่ส่วนนอกหรือตัดลูกเสียงเกิดลดตัดลาบยศสรรเสริญแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าตัดร่างกายได้หรือเปล่าตัดความแก่ตัดความเจ็บตัดความตายได้หรือเปล่าเนี่ยต้องตัดเข้าไปเรื่อยๆผ่านร่างกายไปแล้วก็ยังมีเรื่องการอารมณ์อีกเนี่ย ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงแม้จะถึงศีลแปดได้แต่ก็ไม่หดักคำหมายคมว่าการอารมณ์มันจะตายไปการอารมณ์ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าเราใช้ศีลเป็นตัวคอยคุมมันไว้เป็นเหมือนตัวคุมกำเนิดด้วไหมถ้าอยากจะให้มันตายจริงๆก็ต้องปฏิบัติเข้าไปถึงรากของมันรากของมันก็คือ ความชอบของสวยของงามต้องเอาเอาของไม่สวยไม่งามมาให้มันดูบ่อยๆเอามาป้อนมาให้มันกินบ่อยๆเพราะเมือนนั้นของไม่สวยไม่งามบ่อยๆเช่นเห็นซากศพเห็นคนตายแทนที่จะเห็นคนเป็นก็ทุกครั้งเห็นคนเห็นคนเป็นก็นึกถึงเวลาที่เขาตายหรือเวลาเห็นข้างนอกสวยก็ดูข้างในสวยไหมดูแต่ข้างหน้าหัดดูข้างหลังมั้ง ดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามบ้างแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะดับการมาลมได้อย่างถาวรจะไม่มีการมาลมเกิดขึ้นเองจะรักษาศีลไม่รักษาศีลก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันจะไม่มีเหตุที่จะทำไปทำผิดศีลศีลนี่เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนรั้ว เหมือนกับคุกที่ไว้ขังนักโทษนี้แต่ถ้านักโทษไม่อยากจะแหกคุกแล้วไม่อยากจะออกจากคุกแล้วชอบอยู่ในคุกแล้วก็ไม่ต้องมีคุกก็ได้จิตก็เราเหมือนกันตอนนี้จิตของเราชอบแหกคุกกันแหกกรงกันชอบทําบาป ก, กันแต่ถ้ามันไม่อยากจะได้อะไรแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไม่ไม่อยากจะทาบาปเอง เราไม่อยากจะทาบาปก็เอาศีลออกไปได้เอาล่วกไปได้คุกไม่ต้องมีกำแพงก็ได้เพราะนักโทษมันเชื่องแล้วนักโทษมันเห็นโทษของการทำบาปเห็นโทษของการเห็นเห็นโทษของความอยากแล้วพมไม่อยากแล้วมันก็ไม่ต้องไปทำบาปไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นดนั้นความอยากนี้ตัวเดียวเนี่ยเป็นปัญหา ถ้าดับความอยากได้สบายถ้าไม่มีความอยากก็จะมีแต่ความพอบางครั้งเวลาที่เีปฏิบัติมันไม่ตอบ น, นมันก็สะด็กเนาะด้วยสภาวะของหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบลูกๆแล้วก็หลานกัมพายอีใจจริงอยากจะอยู่วัดตลอดเลยสั่งไปทีนี้ก็ปรึกษาทะลุเลี้ยกว่า วันไหี่จะขออยู่วัดอาทิตย์ละสารมวัอืมก็เอาวันไหนที่ไม่ไม่มีปัญหาคือคนโตก็ช่วย้าขายได้อย่างเขาแล้วก็ที่คนนึียมเรียนอยู่โยกก็เลยศึกษาเด็กๆก็บอกว่าก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันแม่ก็เข้าวัดปัะจำอาคารวันอาคันทุกที่หักก็เดือยวันอาทิตย์ก็จะมีลูกค้าเยอะหน่อยแม่ก็จะได้อยู่ทั้ พเพราะเมื่อเดือนที่ถานมายงเพิ่จะสูญเสียแม่ไปแต่ก็ไม่ได้ทุกใจกนะคะเพราะว่าก็คือพอจะปฏิบัติได้บ้านพอใจแล้วอาการปวดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆที่มานานก็ถามว่าแล้วทําไมเองไม่ร้องไห้เราบอกเราไม่รู้จะร้องทําไมที่ผ่านมาเราทำหน้าเลูงได้ดีแล้วคิดว่าตัวเองทําได้สมควรแล้วก็คือแม่ชอบทําบุญ เวลาจะไปกราบหลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่สายพี่สามก็ไม่เคยขับแม่ขอเท่าไหร่ก็ให้แม่อยากไปภาวนาก็ไปก็าพาแม่ถือสิ่งแปลกที่วัดสายเก้ากิโลของสายยลงพ่อสนองนะคะหนภาษาไม่เคยเน้นเลยปอด ท, ที่เขาจะเสียเขาก็ทำบุญตลอดพขแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแปดลิว้วมันสึดจะออกภาษาแล้วที่วัดมีลมทานเขาก็ขอให้หมอถอกสายาเือ เพื่อที่จะมาทำโรงพยาบพลห่วงโรงพยาาลมากก็เลยบอกไม่รู้จะร้องไห้ ย, ยังไงมันมันร้องไม่ออกแพทย์ผ่ามาดีแล้วรู้สึกว่าจะปวน อ, อยู่ประมาณสามเดือนแล้วแกก็เสียวันที่ยี่สิบห้าแต่วันที่ยี่สิบลูกไปถึงสินแปรที่ประจวก็โทรโทรศัพท์ไปหาว่ายายเป็นยังไงบ้างแม่บอกว่าเออแม่สบายดีแม่ไม่เป็นไรแล้วยกกเลยอยู่โอนเหมือนเข้าให้แม่ใช้หกพันถึงเจ็ดันบาท ก็บอกแม่อารมณ์โธธนานะเดี๋ยวลูกไปถือศีลที่ประจวบหลวพ่อบ อ, อกกับครูบาอาจารย์ได้แล้วว่าถ้าแม่ออกจากลงมาแล้วลูกจะลงไปลูกถือศีลได้ห้าวันสลันั้นทำทำวัดเย็นสวดมนต์ทำวัดเย็นสดุ่มเดินจงกรมถึงเที่ยงคืนมันมีความรู้สึกด้วยกิตที่ปกพันธุ์ด้วยฝ่าไม่ทราบนะคะหลวงพ่อโยมมีความรู้สึกว่ายมได้ยิน เียแม่บอกว่าไปแล้วนะโยมก็เลยหยุดแล้วก็เลยขออธิษฐานวันนี้ให้กับแม่นะเจ้ากรรมนายเวรของแม่สารพีมากทองลูกก็พูดสจลูแล้วลูกก็เลยเข้ามาที่กุฏ์พอตีห้าครึ่งแต่ตีสามลูกเป็นําวพรเช้าลูกสาวก็โทโฟฟรไปบอกโยมวัา ท, ที่นี่ขงแม่ยาเสียตอนตีห้าครึ่งทีนี้ด้วยความที่พ่อบ้านที่บวชอยู่ตอนนี้ท่านได้เหตุ ได้ห้าคำสากับเข้าปีที่หกเนาะท่านกลับมาจากอินเดียแล้วท่านก็ไปอยู่ที่เมืองจีนก็เลยขอร้องโยมว่าอย่าบอกอย่าบอกานาและเดียวอาตมาจะเป็นคนเป็นคนพูดกับแม่บ้านนี้เสร็จแล้โยมก็ทํางานจนเที่ยงจากปีห้าที่ลูกข่าวจนเที่ยงท่านถึงจะมีโอกาสมาบอกโยมว่าก็เกี่ยวกับ สังขารว่าจิตกับสังขานี้สิ่งที่แปกดับน่ะมันคืออันนี้แต่จิตที่ผูกพันกับบาปกับบุญต่างหาที่ไปก่อพวกก่อชาติหมอืนโยเข้าใจไหมที่อาตมาพูดก็บ ก, ก็พยายามทําความรู้สึกไปกับคําที่ท่านพูดก็มีความรู้สึกว่าเกี่ยวกับการตายอยากจะแยกงขึ้นไปว่าโอแม่โยเสียแล้วเหรอแต่ไม่มีโอกาสได้พูดท่านก็เลยถามลูกว่า วันนี้อยู่ได้กี่วันแล้วบอกได้ห้าวันแล้วใช่ค่ะแต่วันนี้อัตมาไม่ให้โยมอยู่นะให้โยมกลับไปทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ถามว่าใครคนขับรถบอโยมขับเองใช้โทรศัพท์ใหมไม่ใช้ขอให้มีสตินะทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยสติก็โยมแม่เสียแล้วก็กลับมาจากประจวบบายสองมาถึงชมบุรีห้าโมงขึ้นก็มีธรรมะของโลวงพ่อ สุชาตินี่แหละค่ะจะเปิดฟังที่ท่านพูดเกี่ยวกับการการที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ก็ยากการแตกดับก็คือแค่สังขารจิตท so ี่มีบุญมีกุศลก็เลยตั้งใจว่าจะมาการอีกครั้งหนึ่งสมบุกก็มา่องครั้งแล้วจ้ะเวอร์วุ่ยาจะมภาวนาที่นี่แต่ก็ยังไม่ทราบพราะหมดระเบียบคนที่มีเป็นมนุษย์ก็ลองไปถามก็าดีว่า มีเป็นขาวดำหรือว่าไม่ชี้ใช่ไหมคะี๋ยวถามพวกที่เาคนที่เขาเคยอยู่ดูเราก็ไม่รู้เขามีกฎ ร, ร, รออะเบียบยังไงเดี๋ยวไปถามที่วัดเขาดูสิเขามีสำนักงานก็พยายามปฏิบัติให้มากการปฏิบัติก็เพื่อที่จะ สร้างกำลังไว้มาต่อสู้กับความอยากมาหยุดความอยากนั่นเองถ้าเราปฏิบัติมากเราก็จะเป็นเหมือนกับรถที่มีเบรกมากรถที่มีเบรกมากก็จะหยุดรถได้ง่ายหยุดได้เร็วเวลาเกิดจะไปชนอะไรก็จะเบรกมันได้เวลาจะสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หยุดมันได้ต้องทาให้มากขึ้นไปเรื่อย ไม่งั้นคนเข้าไปบวชกันทําไมที่เข้าไปบวชเพราะเขาอยากจะทําได้อย่างเต็มที่เป็นเวลาถ้าเป็นคารวาสนี่มันยากต่อการที่จะทําหน้าที่ท้องทางจิตใจได้อย่างเต็มที่เพราะมันต้องมีภา ร, ระอย่างอื่นมาคอยเกี่ยวข้องด้วยเหตนถ้าปลดเพื่องภา ร, ระต่างๆได้ก็ปลดไป ให้เขาอยู่ของเขากันเองเขาจะได้พึ่งตัวเองเขาจะได้เก่งถ้าเราคอยอุ้มเขาเขาก็จะเดินไม่เป็นเขาให้เขาดเดินกันเองเดี๋ยวก็เดินกันได้เอไมอยู่ก็เลยตัดใจว่าจะปล่อยพวกเขาแต่ก็ปล่อยไม่ได้เป็นที่ก็ขอเวาลาวิธีว่าสี่ปีแม่ไม่เอาอะไรแล้วนะพวกเธอจะจบหรือจะมีครอบครัวหรือไม่มีก็สุดแท่ไปแม่ขออยู่วัดแล้วแนะม่ติ้งมันเอ้นไปเถิน ไปทำหน้าที่ของเราไปหยุดความอยากไปรักษาใจให้หายจากความทุกข์ความอยากก็เป็นเหมือนเชื้อโรค ก, การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับกินยากินยาแล้วเดี๋ยวเชื้อโรค ก, ก็จะหายไปความทุกข์ก็จะหมดไปต้องทําเองกันทุกคนไม่มีใครทําแทนกันได้เหมือนรักษากินยาก็ต้องกินเองคนอื่นกินแทนเราไม่ได้ อย่างทำไปเถอนนะทาทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องทําทานก็ได้ทําทานเพื่อที่เราจะได้หมดภาระกับการที่จะต้องมาคอยดูแลรักษาสมบัติเจ้าของเงินทองมีอะไรก็ยกให้ลูกให้หลานให้ใครไป แล้วเราก็เอาเท่าที่จําเป็นติดตัวไปเอาไปใช้สําหรับตัวเราเองเอามาสนับสนุนการปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่ต้องไปเรื่องกังวลเรื่องทําบุญใส่บาไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องภ้าป่ากระถิ่นที่ไหนแล้วให้มากังวลกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิกับการจเจริญพุโทโธพุโทโธไป ถ้าเรามากังวลกับเรื่องทําบุญเรื่องผ้าป่าก็ะถิน่นมันก็จะไม่ได้ไปมันก็จะไม่ได้ไปเจริญพุทธโธไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ไปเจริญปัญญามันก็จะถูกเดินกลับมาให้จิตถดถอยลงไปไม่ได้ทําให้จิตใจก้าวหน้าถ้าอยากจะไปให้จิตใจก้าวหน้าก็ต้องมุ่งไปที่การภาวนาอย่างเดียวคือการเจริญสติ กังสมาธิการปัญญาขออนุญาตอีกครันะคะอย่างน้าปัจจุบันนี้ตัวตัวโยงเองจะไม่เคยไม่เคยว่างนินกับการทำทานเลยนะคะคือมไม่เคยรอโอกาสจะพยายามคนควายหาโอกาสตลอก็มีมากก็ทำมากนะ้อยก็ทำน้อยคิดว่าขดถึงสี่ปีถ้าถ้าไม่ตายเสียก่น อยู่วัดนห่นหละก็คือะจุดในเรื่องการทำทานและขอภาวนาอย่างเดียวเพราะว่ า, วาถ้าไปทำทานด้วยมันก็จะถ่วงกันมันจะไม่สนับสนุนการภาวนาถ้าจะทำทีเดียวก็ทำให้มันหมดไปหนเดียวเลยมีกี่ล้านก็ทำมันไปทีเดียวเลยไม่ต้องมาแบ่งทีลถ <c oughs> ้าอยากจะทำก็ทำมันทีเดียวมันจบไปเลย <c oughs> อย่างพระพุทธเจ้านี่สละหมดก็จบแล้วไม่ทา พอบวชแล้วไม่ทำแล้วเรื่องทานจะเอาแต่เรื่องภาวนาอย่างเดียวถ้าเราไปอยู่วัดก็แสดงว่าเราไปบวชแล้วเราไม่ต้องเป็นทำบุญทําทานแล้วไปขอข้าววัดกินได้แล้ววัดไม่หว่วงเรเรื่องข้าวปลาหาแต่ก็ต้องตามมีตามเกิดเท่านั้นแหละ คนที่ไปอยู่วัดแล้วจะทำบุญทายสายบ่ายก็ทำได้นะคือคนแต่ละคนนี่มันยังอยู่ในฐ า, านะไม่เหมือนกันบางคนยังไม่ได้เป็นนักบวชเต็มตัวยังเป็นครึ่งผีครึ่งคนอยู่คือเป็นเป็นทั้งนักบวชทั้งเป็นทั้งนักบุญบุญก็อยากจะได้ภาวนาก็อยากจะภาวนามันก็จะได้แบบครึ่งๆึ่งกลางกลางแต่พวกที่อยากจะได้ภาวนาอย่างเดียว ก็ไม่ต้องไปทําบุญไม่บาปหรอกเวลาไม่ได้ทําบุญใส่บาสนี่ไม่บาปไปไปกินข้าววัดนี่ไม่บาปหรอกถ้าวัดชอบเลี้ยงเราเนะ <c oughs> ถ้าก็วัาไม่เลี้ยงเราก็ช่วยก็ต้องหากินเอาเองอย่างวันนี้เขาไม่เลี้ยงเราเขาไดหากินเองแต่าบางวันนี้ท่านเลี้ยงหมดใครไปอยู่ที่วัดอาหารการกินมีเท่าไหร่ อย่างได้ข่าววัดอาจารย์สมชายที่วอยเขาสุกิมนี่กินได้ทั้งคืนทั้งวันไปไปถึงเวลาไหนก็ไปไม่มีข้าวก็ไปที่ร อ, องครัวได้เจ้าค่ะหลวงปู่สมชายเรื่องทานเรื่องทานนี้ท่านยิ่งใหญ่แต่และวัดมันไม่เหมือนกันนะต้องดูวัดวันนี้เขาเขาไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องการทำทานเขาอยากให้คนมาภาวนาอย่างเดียวก็แล้วแต่ นโยบายของแต่ละวันแต่ถ้าของพระนี่ก็ถ้ามีเหลือก็ใครจะเอาก็เอาไปบินตบายกลับมาพระฉันเสร็จแล้วที่เหลือใครอยากจะกินก็กินไปใครจะเอาไปก็เอาไปพเราไม่เมยไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีความผูกพันเพราะว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ไป เ, เก็บเอาไว้ไม่ให้หงึงไม่ให้หวงอาหารที่ได้มาจากบินตบาย พอพอฉันเสร็จแล้วก็จะละไปให้หมดแต่ที่พูดนี่หมายถึงว่าเรื่องของการทําบุญกับเรื่องของการภาวนานี่มันเป็นงานที่ขัดกันงานทําบุญนี้มันออกข้างนอกมันต้อออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายงานภาวนานี่เพื่อจะดึงใจให้มันเข้าไปข้างในเพราะฉถ้าเราทําทั้งสองอย่างมันก็จะดึงกันไปดึงกันมา เวลาทําทานมันก็จะออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดกิเลสตัณหาเห็นแล้วก็อยากจะกินอยากจะดูอยากจะฟังใจก็จะไม่สงบแต่อยากจะให้ใจสงบก็ต้องดึงมันเข้าไปข้างในนี่เวลาถ้าดึงเข้าไปข้างในแล้วดึงมันออกมาอีกมันก็ไปไม่ถึงไหนกันเที่เข้าๆออกๆชักเข้าออออชั ก, ชกออกอย่างนี้ต้องให้มันเข้าไปอยู่จนกระทั่งมันไม่อยากจะออกแนละ้วทีนี้มันไม่อยากจะออกแนละ้วที่ออกมาไม่เป็นไร ออกมามันออกมาก็ทําอะไรปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วมันก็กลับเข้าข้างใน ท, ทันทีมันจะไม่ติดมันไม่ตกค้างอยู่แต่พวกที่ยังยังยังอยากออกอยู่นี่พระออกแล้วมไม่ยอมเข้าเข้ายากพอออกมาแล้วเข้ายากเนี่ถึงต้องบอกว่าอย่าไปอย่าไปทําสิ่งภายนอกถ้าภาวนาต้องทําแต่สิ่งภายในต้องดึงใจเข้าข้างในอย่างเดียวแม้แต่พระนี่ ทางสายวัดป่าทางวัดหลวงตานี่ท่านจะไม่พระออกไปรับกิจนิมนต์เนี่ยออกไปรับกิจนิมนต์ก็ใบออกไปข้างนอกแล้วออกนอกวัดไปก็ไปดูนูน่นไปเห็นนูน่นเห็นนี่พอกลับมาวัดมันไม่ยอมเข้าเลยมันยังมันยังติดอยู่ข้างนอกอยู่มันยังติดอยู่กับรูกกับเสียงกับกิ่กับรสที่มันได้สัมผัสอยู่มันก็จะทําให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ยาก อันนี้เพียงแต่พู้ใท้ฟังนั้นไม่ได้ไม่ได้หมายถึไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำบุญเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าตอนนี้เราทํางานในหน้าที่ไหนเท่านั้นเองแต่เมื่อทําหน้าที่ภาวนาเสร็จแล้วไม่มีไม่มีงานแล้วต้องทําต่อไปแล้วถ้ามีเงินเหลืออยากจะทําบุญก็ทําได้หรือมีใครให้เงินมาเราก็เอาไปทําต่ออย่างหลวงตานี่ท่านก็ทําต่อถงข้อโลกต่อไปใจท่านไม่ได้ออกมาข้างนอกใจท่านอยู่ข้างในทำ ทำทำโดยที่ไม่ต้องออกมาข้างนอกหรือถ้าออกมาก็ออกมาแป๊บพอเสร็จทุระก็กลับเข้าไปข้างในได้ไม่เหมือนกับพวกเรานี่พอออกมาแล้วมันไม่อยากเข้าข้างในมันติดพอจะเข้าข้างในก็เหมือนกับต้องตีหมาต้องเ อ, อาไม้ตีหมามันไมงจยเข้ายัา น, นต้องให้รู้ว่าเรากำลังทํางานไหนเป็นงานหลักของเรา ถ้าเราต้องการภาวนาต้องการความสงบเราก็ต้องตัดงานที่จะมาดึงใจให้ออกไปข้างนอกถ้าเรายังเข้าข้างในไม่ได้เราก็ต้องอาศัยการทําทานช่วยเพราะการทําทานมันก็ช่วยให้เรามีมีกำลังเข้าข้างในได้เหมือนกันทใจมีอะไรไหม ถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วนะวันนี้ก็ขอให้อไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ